1. ปัมะปาราชิกสมุทฐาน258สิกขาบทว่าด้วยการเสพเมถุนธรรมสิกขาบทว่าด้วยการจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนสิกขาบทว่าด้วยการถูกต้องกายกับมาตุคามอเนยตะสิกขาบทที่หนึ่งสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงภิกษุ ผู้เข้าไปอยู่ก่อนสิกขาบทว่าด้วยการฉันบินทบาทที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมสิกขาบทว่าด้วยการอยู่ในที่ลับกับภิกษุณีสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงในที่ที่มีคนสองคนสิกขาบทว่าด้วยการอยู่ในที่ลับสองสิกขาบท สิกขาบทว่าด้วยการใช้นิ้วมือจี้กันและกันสิกขาบทว่าด้วยการเล่นน้ำสิกขาบทว่าด้วยการทำร้ายเพื่อนภิกษุสิกขาบทว่าด้วยการเงื้อหอกคือฝ่ามือขึ้นทำทีว่าจะทำร้ายเสขียวัตห้าสิกขาบทสิกขาบทว่าด้วยการยินดี การที่ชายจับต้องที่บริเวณเหนือเข่าขึ้นไปสิกขาบทว่าด้วยการเข้าและแวกหมู่บ้านตามลำพังสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีกำนัลรับโภชนะจากมือชายผู้กำนัลสิกขาบทว่าด้วยการใช้ฝ่ามือตบองค์กำเนิดสิกขาบท ว่าด้วยการใช้ท่อนยางสิกขาบทว่าด้วยการใช้น้ำชำระสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีจำพรรษาแล้วไม่หลีกจาริกไปสิกขาบทว่าด้วยการไม่ไปรับโอวาทสิกขาบทว่าด้วยการไม่ติดตามปวัตินีรวมสิกขาบทเหล่านี้ เป็น76สิบกขาบทท่านจัดไว้เป็นสิกขาบทมีกายกับจิตเป็นสมุดฐานทุกสิกขาบทมีสมุดฐานอันหนึ่งเหมือนปัธรมปาราชิกสิกขาบทฉะนั้นปธรมปาราชิกสมุทฐานจบ